ใ น, นช่วงนี้จะพูดถึงในเรื่องของการการลายลึกพุทธทางสติสเล็กน้อยเพื่อเป็นอุปการะแก่เราทั้งหลายที่มีโอกาสมาเจริญมาฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงต้นที่พูดถึงพุทธคุณก่าวคือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆ <Okay. S 1> บอกว่าพระบรมศาสดาผู้ทรงมีเดชานุภาพที่ยิ่งใหญ่เสด็จถึงป่าอิศิปตนะมฤคธายวันแล้วพระองค์เทศนาธรรมจักรภาาพพพวัตนสูรแล้วก็โปรด อั ญ, ญวคีทั้ง5้าแล้วก็เป็นเหตุทําให้ท่านอัญญาโกณัญญาได้เป็นพระโสดาบันแล้วต่อมาก็ในพรรษาการนั้นก็มีพระอรหันตุบัติเกิดขึ้นจากการที่ได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นการหมุนกงล้อแห่งธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นกงล้อแห่งธรรมะ คำว่าธรรมจักรนี่ถ้าแปลว่ากงล้อแห่งธรรมะถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบกับคําว่าอาณาจักรถ้าอาาจักรนี่ก็เรียกว่ากงล้อแห่งอำนาจถ้าอาณาจักรก็เป็นการใช้พระราชอํานาจของบุคคลที่เป็นใหญ่ในโลกในแผ่นดินเขาก็จะหมุนกองล้อแห่งอํานาจในการที่จะปกครองประเทศสลาชต่างๆถ้าเราดูอย่างพระเจ้าจากักรพรรดิ ตอนที่พระบรมโพธิสัตว์ท่านเป็นพระเจ้ามันธาตุราชท่านเล่าเองนะในครั้งนั้นเนี่ยท่านปกครองทวีปทั้งสี่ชมพูทวีปนี่หมายถึงโลกใบนี้ทั้งใบอุตรากุรุทวีปปุกพระวิเทหทวีอปอละโคยานทวีปอีกสี่ใบและทวีปน้อยอีกสองพันมีอนณาเขตอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นแต่ ก็ไม่สามารถจะถมตันหาคือความพยานอยากในใจนั้นมันให้เต็มได้เพราะตันหามันไม่อิ่มในอารมณ์เราจะเอาสีสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นน้อหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มๆสภาพของธรรมารมณ์ที่เป็นทั้งบัญญัติทั้งเป็นสภาวะอดีตอนาคตต่งางๆเนี่ยมาถมสภาพให้ตันหามันได้อิ่มมันไม่ได้เหมือนมหาสมุทรนี่ก็เหมือนกัน ผมยังไงก็ไม่เต็มท่านก็เริ่มเครียดขึ้นมาจากการเซ็งและเบื่อเบื่อจากทวีบทั้งสและทวีบน้อยเนี่ยมันมีอยากจะได้มากกว่า น, นั้นมีอวันหนึ่งท่านก็ถามปรีนายกแก้วว่ายังมีประเทศสลาที่มันเป็นรมณียสถานที่น่าเลื่อนล้อมอีกไหมเพราะ อ, อามาต ก, ก็เลยบอกทูลบอกว่ามีว่าที่ไหน สวรรค์ชั้นจาตูมพอบอกสวรรค์ชั้นจาตูมปุ๊บท่านก็กรีท่านก็ไปกรีาทาทับไปเพื่อจะยึดสวรรค์ชั้นจาตูมหาราชเนี่ยเพื่อต้องการอยากจะลบกับเท้าจาตูมหาราชทั้งสี่พอเท้าจาตูมหาราชทั้งสี่เห็นกงล้อท ร, รมจักรหมุนไปแค่นี้ยอมซิโรราบไม่ยอมลบแล้กลัวกลัวพระรจ้าอํานาจของพระเจ้มมามรนดาตุลาก็เลยยกให้ ท่านก็สวยสุขในชั้นจาตุมเนี่ยเป็นเวลานานมากในเข้าในาเข้าก็แสหนีบแล้วเบื่อแล้วไอ้ตัณหาเนี่ยเวลามันได้สเสพเดิมเดิมเดิมมันไม่อิ่มก็เลยถามเท้าจาตุมหาราชบอว่ า, วายังมีประเทศราชที่เป็นรมณียสถานที่ประณีดดีกว่านี้มีอีกไหมบอกมีที่ไหนดาวเด่นท่านก็เลยส่งจักรด้วยกําลังฤทธิ์ของท่านเนี่ยส่งจักหมุนจักขึ้นไป มุนจากไปก็ไปวนในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ตอกลงมาปักกับพื้นที่ที่ประเทศสลาที่ท่านอยู่แล้ ว, ลวท่านพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหาะขึ้นไปบนบนดาวดึงเข้าไปจะไปท้ากับท้าสกาบอกรบกันไหมท้าสกาบอกขอเจราจาอย่าดศึกไม่กล้ารบอาเจราจาอย่าศึกเอ้วทาไงบอกงั้นขอแบ่งเมือง คนละครึง่งโอเคเบ็นกันคนละครึ่งาโอเคนี่ๆแปลว่าแปลว่าตกลงนะนนยังไมตกลงก็ท่านก็นกนปกครองนั่นแหละสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นแหละเล่นเท้าสกา่าเนี่ยตายไปนะในยุคนั้นเน่ยมนุษย์อายุยืนมากเท้าสกา่าตายไปสามสิบหกองมันก็ไม่อิ่ม ไอ้ที่ได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยชักเริ่มไม่อยากได้ครึ่งแล้วอยากจะได้ทั้งหมดแล้วก็เลยมีจิตริษยาขึ้นมามีจิตกโกรธขึ้นมาคิดจะฆ่าเท้าส ก, กายให้ตายพอคิดอย่างเงี้ยด้วยที่ว่าตัวเองเป็นประดุดเหมือนกลายเป็นกายของเทวดาไปส่วนหนึ่งไปแล้วมันละเอียดจังโทสะมันเป็นไฟที่เผามาเรียบร้อยเลยตกกาลังเล่กกาลังบุญหมดพอดีเลยเนี่ยตกลงมา ในมนุษย์แล้วก็เลยท่านก็พูดตอนที่ท่านจะสวรรคตท่านก็ให้จารึกประวัติศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าให้วิษุทธิ์ที่ขสันอยากจะสืบไปไปไปมีครอบครัวไปมีทรัพย์สมบัติพริยาถามอกว่าเธอมีบุญเท่ากับพระเจ้ามันธาตุราชไหมพระเจ้ามันธาตุราชในอดีตเนี่ยคือเราเนี่ย แค่ตกพราหัดเนี่ยออกไปนอกห้องเนี่ยตกพราหัด ส, สามครั้งฝนทองกระหายบะนะตกลงมาท่วมเขา่าบุญขนาดนั้นเนี่ยเอากลราลองออกไปตอบเจอที่ <c oughs> มีอะไรตกมา <c oughs> พูดให้เห็นว่านี่ไงว่ากรามเนี่ยกรมมาคุณเนี่ยต่อให้ได้มากขนาดไหนมันก็ไม่พอมันก็ไม่อิ่ม แล้วมันตายคนที่หลงไหลในการมาคุณทั้งหลายมันมีมันมีคุณน้อยมันมีโทษมากทอดของการมันมีมากอย่างยิ่งคนที่หลงมัวเมาในการมาคุณทั้งหลายก็จะเจ็บปวดในการมาคุณการได้เสวยการได้การได้ไปเกี่ยวข้องการใช้ตันหาไปฉาบติดหรือไปร่านลนในการมคุณหนึ่งครั้งอุปมาเหมือนกับการใช้เลนส์ไปเลียกินน้ําผึ้งบนคมมีตกรกนหนึ่งครั้ง เอามีดกรีจุ่มลงในน้ำผึ้งนะใบมีดกรนดนะจุ่มแล้วเอาม า, าอะไเงี้ยแล้วก็แลบลิ้นเลียแปะเข้าไปในมีดกรีเนี่ยไอทางคมมันน่ยนะหวานไหมมีดกรีดมีดกรีหวานไห ม, มไอน้ำผึ้งนะมันหวานแต่มีดกรีดนะมันตัดลิ้นมันเฉือนลิ้นขาดเป็นแฉกเป็นแฉกทุกครั้ง การเกี่ยวข้องกับการมคุณเนี่ยมันจะต้องได้อะไรความโลภความโกรธความหลงแล้วมันจะต้องได้ทุจริตตามมามโนทุจริตผักให้เป็นกายยทุจริตวจัจจิทุจริตทุจริตแต่ละครั้งที่ทําจากการเกี่ยวข้องกับการมคุณมันต้องไปเจ็บปวดในอบายทุกขติวินิบาตนโลกมากกว่าการเลียน้ําผึ้งที่คมของมิโกนท่านเจิมอุปมาเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ ฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามันยังมันมีรสชาติอยู่บ้างก็จงหมกมุ่นกับมันไปไม่เป็นไรเอาให้มันเต็มที่ถ้าคิดว่ามันยังให้รสอร่อยให้ความหวานชื่นอยู่บ้างถึงมันจะเจ็บปวดก็ไม่เป็นไรนะเจ็บปวดก็ไม่เป็นไรก็ต้องกล้าที่จะแลกกับมันจะไปเกิดเป็นสัินรบก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีเยอะอยู่แล้วมีเพื่อน เป็นสัตวราจานเปรตเรือสุรากายหรือไปเจ็บปวดในสังสารวัตก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าอย่างนี้นะถ้าคิดอย่างนี้ก็ทําไปพระเจ้าไม่ได้ห้ามนะแต่พระเจ้าบอกว่าทําแล้วมันจะเป็นแบบนี้ทําอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เลือกเอาเจะเอาอย่างไรก็เลือกนี่คือพระเจ้าพูดตอนที่ท่านเป็นพระเจ้ามหาตุละตอนที่ท่านเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์ชนะ ทำไมท่านจึงไปปฏินิพพานที่กุสินารามีอยู่สามประเด็นใช่ไหมหนึ่งถ้าไปปฏินิพพานที่อื่นแล้วจะเกิดการแย่งชิงพระธาตุโดยเฉพาะถ้าไปปรินิพพานที่เมืองใหญ่ๆแล้วเกิดสงครามนี่แต่ถ้าไปที่กุสินาราเป็นเมืองเล็กเมืองไม่ใหญ่โอกาสปฏีปรนอมมาแล้วถ้าไปที่ตรงเนี้ยจะมีโทณพามโทณพามเนี่ยซึ่งเป็น พระอนาคาและเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของบรรดาราชกุมารหรือพระเจ้าแผดินในยุคนั้นจะเป็นผู้สามารถเจรจาหยาสึกและเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุได้ น, นี่คือประการที่หนึ่งใช่ไหมนะประการต่อมาปัดชิมมาสาวกองค์สุดท้ายคือสุพัสุาทาปริภาชกั้นการที่บำเพ็ญบารมี ในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์เนี่ยออกจากสังสารวัตรนี่ยเป็นทั้งภารกิจเป็นทั้งพันธกิจใช่ไหมทิพย์พุทธิยศต้องทําให้สําเร็จผลตามเจตจํานงและตามกําลังบุญหรือแรงอธิษฐานของบุคคลนั้นตั้งไว้สุภัทบริภาชกตั้งอัธยาศัยว่าต้องบรรลุต่อหน้าพระพุทธเจ้าและกับพระพุทธเจ้านั้นฉะนั้นไม่ใช่เป็นสาวกเวยในเป็นพุทธเวยในเนี่ยเป็นเราจะเห็นชัดว่าตอนทิพย์พุทธเจ้า ทรงป่วยอย่างมากในภาษาสุดท้ายต้องข่มด้วยกำลังของสมาบัตเป็นระยะระยะแล้วก็เสด็จพุทธดำเนินจากบ้านเวรวะคามชมพุคามโพขนครอัมพคามอธิคามไล่มาเถิแล้วก็มาถึงปาวานนครจากปาวาเนี่ยจากปาวามาที่กุสินาราเนี่ย สามคาวุธ1หนึ่งคาวุธก็สี่กิโลเมตรสามคาวุธก็สิบสองกิโลในสิบสองกิโรหลังจากฉันเข้าสุกรมทวะหฉันสุกรมทวะจากนายจุนท่าการมรบุตรเนี่ยที่อังฆาถวายแกพระพุทธเจ้าแล้วทำให้โลกาพาสน้นสงบระงัวได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนั้นเป็นอาหารมื้อสุดท้าย ถามว่ากําลังกุศลที่เกิดขึ้นจากการอาหารมื้อแรกที่ได้จากนางสุชาดาแล้วได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิยานทาให้กิเลสในนิพพานก็นได้อาหารมื้อสุดท้ายที่ทําให้ขันธปรินิพพานอั น, นิี้สมเท่ากันเพราะกาันใหไดนิพพานเหมือนกันใช่ไหมเพราะจุดหมายสูงสุดของบุคคลที่บรรลุทำคืออนุปาทาปรินิพพานนี่แหละฉะนั้นการที่ได้อาหารแล้วทําอนุปาทาปรินิพพานที่เกิดขึ้นทําให้ขันธปรินิพพานที่เกิดขึ้นนั่นแหละ เป็นจุดหมายสูงสุดของการที่จะบรรลุธรรมคือมันนั่นแหละอันสมยุ่งเท่ากันทีนี้ได้อาหารแล้วท่านก็เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเนี่ยสิบสองกิโลพักยี่สิบห้าครั้งยี่สิบห้าผลซึ่งไม่เคยมีตามประวัติศาสตร์จากระดับบุคคลที่บริบูรณ์ด้วยกําลังพระกํากลังประดุจช้างอะไรเป็นแสนแสนเชือซึ่งไม่เคยมีประวัติเลยว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยและต้องพักขนาด แต่ครั้งนี้ยี่สิบห้าครั้งยี่สิบหกครั้งสุดท้ายบอกกับพานพระนนท์ว่าดูก่อนานนเราเหนื่อยนักเราจักพักเราจักนอนพุทธดำหลัดถ้าเราดูจากพุทธประวัติดูในพระไตรปิฎกเนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยพูดคานี้เลยในช่วงช่วงมีพระชนอยู่ 45, สี่สิบห้าพรรษาแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยพูดคำนี้ท่านใช้คำว่ามหาสังฆเวมหาสังเวฆะใหญ่ พูให้หมู่สัตว์ทั้งหลายได้เกิดความสะเทือนใจว่าย้อนกลับไป20่สิประสง์ไข่ย้อนกลับไปสี่ปสงค์ไข่ที่บำเพ็ญบารมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบปรมัตถบารมีสิบให้เห็นความมุ่งมั่นความลำบากความยากอย่างอย่างอุปฤรของชีวิตที่ท่านใช้คำว่าดูก่อนอานนท์ดูก่อ น, อ น, น, อนพุทธภิกษุทั้งหลาย เราเหนื่อยนักเราจับพักเราจับนอนคือเราจะบริญิพานแล้วหมดแล้วกำลังหมดแล้วเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกหมดแล้วเฉั้นถ้าเรามองพุทธจริยาตรงนี้ในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทเราจะได้เกิดพลังว่าพระบรมศ า, ศาสดาของเราขนาดนี้มุ่งมั่นขนาดนี้เพียรพยายามขนาดนี้ตั้งมั่นขนาดนี้ แล้วเราอะเราอยากจะทําอะไรถวายเป็นพุทธบูชาแด่วพระเจ้าก็ให้ทำํำสิ่งทำประวัติศาสตร์ชีวิตของตัวเองที่ศักยภาพความสามารถของแต่และคนมีอยู่ทําให้เต็มที่เต็มศักยภาพในฐานะที่เรามีพระบรมศาสดาที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้และมีพระหมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ให้กับเราทั้งแบบ ท, ท่านก็พักนองแต่ก็ต้องโปรด ในสุภทธาเนี่ยที่ให้สุภทธาเข้ามาแล้วพระองค์ก็บอกถึงว่าถ้าตราบใดบุคคลยังประพฤติตามอริยมรมีองค์แปดอยู่ตราบใดโลกก็ไม่เว้นจากพระอริยะไม่เว้นจากพระาราน์อันนี้ก็เป็นหลักที่เราจะต้องมามนาสิการใส่ใจว่าตอนนี้มัชชีมาปฏิปทาทางดำเนินนี้ยังไม่ถูกปิดหลักคาสอนยังมีอยู่ยังเปิดเผย อ, อยู่ ออกงล้อหิ่งทำยังหมุนอยู่ยังไม่ได้หยุดหมุนเพียงว่าเราจะได้ประโยชน์จากออกองล้อหิ่งทำมาเนี่ยจะหมุนเข้าสู่กระแสชีวิตเราได้หรือไม่เราจะทํ า, า, ะะาอย่างไรเราจะรักพนาอย่างไงจะเชื้อเชิญ อ, อย่างไรจะทําอย่างไรในการที่จะหมุนสินสมาธิปัญญาหรือสมาธิถีเป็นต้นจะถึงสมาสมาธิเนีญญ่ยให้เข้ามาหมุนอยู่ในกระแสชีวิตหรือมาประชุมในกระแสชีวิตจะทําให้พฤติกรรมทางกายทางวาจาและใจของเราทั้งหลายเนี่ยมีสินสมาธิปัญญาเป็นตัวกำกับ แล้วก็ดําเนินไปตามมัชฉิมาปาลิปทาเพื่อเข้าถึงลูกป่าทาปรลิมิทานให้ได้เพราะตอนเนี้ยเราถูกไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือชาติชราพยาธิใช่ไหมร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะโมหะเป็นเราถูกเผาชาติความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศ ค, ความล่ํำไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความกำหนันใจมันเผากระแสชีวิตเรา น, นั้น แต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นประดุดดังน้ําและมีน้ําชนิดนี้เท่านั้นที่จะดับไฟประเภทนี้ได้ใช่ไหมไฟคือราคะโทสะโมหะและเมื่อเรารู้ตัวเราถูกแผดเผาอย่างนี้เราก็ต้องมุ่งมั่นในการที่จะนำเอาไฟหรือนําเอาศีลสมาธิปัญญาประดุดดังน้าน้ำเอามาเลือกมาชโลมดับกระแสมันเหมือนอะไรมันเหมือนว่าโลกใบเนี้ยเหมือนกับดวงอาทิตย์ขึ้นเจ็ดดวง มันแผดเผาเต็มไปด้วยทะเลเพเนี่งมันต้องใช้ฝนหาใหญ่ที่มีน้ำอย่างมากฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาประดุดดังัน่นแหละน้ำอวบฤท์ที่จะดับไฟในกระแสะชีวิตของหมู่สัตว์เป็นต้นได้นี่นี่เป็นทั้งภารกิจเป็นทภารกิจที่พระองค์มาทำจริงๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าต้องการมาประกาศมหาสุทัศนะประวัติในการที่พระองค์เคยมาบเพ็ญบารมีหน้าที่นี้ให้ปรากฏ ถ้าเราเคยไปที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ได้ก็คือเราอยากจะนอนแบบนี้นอนโดยไม่ต้องลุกขึ้นมาอีกในสังสารวัฏไม่ต้องลุกขึ้นมาเกิดบ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆต้องมาเจ็บปวดในสังสารวัฏบ่อยเราอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะนอนอย่างเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายสักทีแล้วไม่ต้องลุกขึ้นมาแบกขันธภาละไม่ต้องการยกขันธภาละขึ้นมา เกิดแก่เจ็บตายมันยืนเดินยั่งยอนมันเจ็บปวดใช่ไหมรู ป, ประขันเวทนาสัญญาสังขารที่เรายกขึ้นมาแบกโอ้โหเราไม่สามารถที่จะดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นี้เราอยากจะวางแต่มันได้แค่อยากอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมมีแค่เจตนาอยากจะวางนี่ถูกแล้วแต่ปัญญาต้องพัฒนาปัญญาให้ถึงในการที่จะเข้าไปเห็นความจริงมันถึงจะวางได้ด้วยการมีปัญญาที่จะไปรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่ก็อันนั้นนี่แหละแล้วพุทธิยถาประธรรม กิจเหล่านี้สมบูรณ์แบบแล้วสมบูรณ์แบบทีนี้พระองค์ก็พูดถึงตอนที่เป็นพระเจ้าหมหาสุทัศน์ว่าตอนปฐมวัย8 0 0 0 0 0ปีมชจิมวัย8 0 0 0 0 0ปีสอมปฐมวัยก็เป็นเมอนเด็ก ม, มะจิมวัยก็ทำภารกิจในการที่ช่วยอนาประชาราช บำเพ็ญบา ร, รมีมีการแจกทานมีการบ ร, ริหารจัดการบ้านอยู่แล้วก็เมืองขึ้นแปดหมื่นสี่พันเมืองนางสนมแปดหมืนสี่พันนางช้างแปดหมนสี่พันเชือกมา 8, 000, ้าแปดหมืสีพันตัวเยสิ่งของต่างๆล่านั้นนั่นคือเป็นภาระที่ท่านต้องรับอะแล้วที่สุดจริงๆริงท่านก็ขึ้นอยู่ขึ้นสู่ปราสาทแล้วเขามองลงมาท่านก็เห็นและขนาดเกิดขึ้นโดยกําลังบุญเนี่ยทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติที่เกิดขึ้นโดยกําลังบุญที่บําเพ็ญมาอย่างยาวนาน ในศังสารวัฏแต่สิ่งเหล่านี้ก็ตกอยู่ในกฎตายักหมเดเลยไม่เที่ยงแปลปรวนเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลรวนในทางกลางก็ตับดับสลายเป็นนี้ที่สุดท่านก็มองตัวเองประดุดังว่ามันเด็กเล่นฝุ่นแมันเด็กเล่นฝุ่นท่านกอกว่ามันยานปัญญาเกิดขึ้น ท, ทันทีท่านพอแล้วในความสึกพอท่านก็จะก้าวท่านบอกว่าก่อนที่จะก้าวขา ห้ามธรณีประตูท่านก็บอกว่ากาเมวิตกเอ๋ยบอกว่าอย่าตามเรามานะความดําริไปในกาดําริไปในสีที่สวยๆเสียงพ้อๆกลิ่นน้ำหอมรสอร่อยสัมผัสที่นิมน่มๆพยาบาลวิตกที่ไปโกรธไปเครียดไปอาฆาตพยาบาลวิหิงสาวิตกที่กีดดําริไปการเบียดเบียนอื่นท่านตัดไม่ให้ตามท่าและในส่วนจริงท่านก็เข้าบําเพ็ญเพียรก็ทาําฌานสมาบัติให้ตั้งขึ้น แล้วันปาร์์สุดท้ายครบ8ปด0 0ืสีพ่พันปีตอนนั้นพระมเหสีพร้อมด้วยอำมาตย์ราชบริพารเข้ามายกกองกำลังมาเพื่อจะขอร้องให้ท่านอยู่ต่อพระมเหสีก็บอกว่าขอให้พระเจ้ามหาสุทัศนาจงผูกใจไว้อย่าด่วนสวรรคตให้ผูกใจไว้กับเมืองขึ้น8ปด0 0นสี่พันนือ้อเมืองผูกใจไว้กับปร า, าสาท8ดืสี่พันปร า, าสาท ผูกใจไว้กับรถแปดหมื่นสี่พันคันผูกใจไว้กับม้าช้างแปดหมืนสี่พันตัวมา้าไปแล้วผูกใจไว้กับ น, น, ง 8, 000, นง 8, 000, างสืงแปดหมื่นสี่พันนางบอลลังแปดหมื่สี่พันยางและแปดหมื่นสี่พันให้ผูกใจไว้อย่าด่วนสวัสดีครับท่านบอกว่าดูก่อนไม่เชสีเธอเธอพูดไม่เพาะไม่งานให้พูดหม่ขอพระเจ้ามาสุดทัศนะอย่าได้อะไรใน เมืองขึ้นแปดหมื่นสี่พันเมืองปราสาทแปดหมื่นอย่าได้อะไรคืออย่าได้เอาตันหาไปโผล่ติดกับสิ่งเหล่านี้ให้ตัดสิให้ตัดตันหาสิอย่าไปเชื่อมสะพานให้ตัดให้ตัดสะพานสิอย่าเชื่อ ม, อ ย, อ, มอย่าต่อเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรอมีการเกิดขึ้นและแปรปรวนเป็นธรรมดาใช่ไหม มองให้เห็นว่าสังขารทุกสังขารเนี่ยจะมีใจครองหรือไม่มีใจครองสังขารเล็กสังขานใหญ่ทั้งสังขารที่เป็นสังกตธรรมทั้งหลายเลยนี่ล้วนมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปลุนในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดก็คือตกอยู่ในกฎไตรกักหมดอันนี้บอกความจริงความจริงมันเป็นแบบนี้กระแสชีวิตก็เป็นแบบนี้สิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตสรรพสิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้นี่พระองค์ทรงบอกนี่คือเป็นความจริงความจริงของชีวิตไม่ใช่หลักปฏิบัติ ส่วนคำว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะเนี่ยบอกว่าท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนนี้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ที่อื่นนี่ถึงพร้อมด้วยควา ม, มก็คือว่าจงยังศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทนีคือหลักปฏิบัติถ้าศรัทธาไม่มีก็พัฒนามีขึ้นวิริยะ ah ไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่มีไม่เกิดก็พัฒนาศีลสมาธิ i, หรือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มีให้เกิดขึ้นให้ถึงพร้อมก็คือว่า จงประชุมศีลสมาธิปัญญาหรือประชุมอริยมรรคเนี่ยมีองค์แปดในโลกุตละนั้นให้ได้นะเด็ก็คือทำมัคคสวังทีให้ถึงพร้อมได้ด้วยความไม่ประมาทก็คือว่าหนึ่งอย่างมรรคน้อยในกุศล ส, สองเพียนติดต่อและต่อเนื่องแล้วก็การได้มาซึ่งสัมมาสัมโพริยานี้พระองค์ได้มาด้วยความไม่ประมาทได้มาด้วยความไม่ประมาท นั po, ้นตรงนี realised, inha, ้ต้องการชี้เราว่าเวลาเราจะมาระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยระลึกถึงจะเป็นอนุสติในการที่จะระลึกถึงคุณของพระเจ้าเพราะว่าการระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นการเจริญสติเนี่ยสตินั่นเองชื่อว่าอนุสติเพราะว่าระลึกถึงเสมอไม่ขาดช่วง การที่เราเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้ามีเป็นพระเป็นต้นเราเนี้ยนะโดยฐานะความเป็นไปเนี่ยต้องมั่นต้องมั่นและลึกถึงคุณของพระพุทธคุณของคุณของพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมที่บอกว่าอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระพใใรรราาทรุทธเจ้าเนี่ยไกลจากราคาโทสาโมหะไกลจากมานะทิฏฐิวิจิกิขาหิริกาโนตปากุทตจารพุทธเจ้าในั้นไกลจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ไกลไกลจากบาปกุศลแการมันชั่วรา้ายไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาแต่เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใกล้ตัวกิเลสเรายังมีราคะกุ้มรุมโทสะกุ้มรุมโมหะกุ้มรุม ม, ม, ม, ม, มีบาปกุศลกรรมมันชั่วรา้ายกุ้มรุมเรายังมีเพชฌฆาตภายในศัตรูภายในฆาศึกภายในคือราคะโทสะโ ม, มหะให้ตระหนักตัวเองแบบนี้เมื่อเรามีเพชฌฆาตภ า, ารรยในฆาสึกภายในศัตรูภายในคอยทําอันตรายกระแสชีวิตเราอยู่ แต่ว่าชีวิตไม่ปลอดภัยแต่พระบรมศาสดานั้นทรงปลอดภัยแล้วพระองค์ทรงเป็นผ้าหลัก็ให้มนัดสิการว่าเราก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาให้เป็นพุท ธ, ธเป็นภระิยะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เราจะต้องเป็นผู้ไกลจากกิเลสตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้หนึ่งก็คือมีตถาคตโพธิ์ศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้สัมมาสัมพยยยุทธญาณของพระเจ้า เชื่อมัน่นพระรัชยาบำเพ็ญบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีแม้ในอดีตจนถึงปัจจุบันแม้ปัจจุบันชาติพระ อ, องค์ก็ทำให้ดูทำให้เห็นแล้วแล้วพระ อ, องค์ก็ประสบความสําเร็จบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอาจรได้จริงๆเราเชื่อมัน่นพระปัญญายาณของท่านก็มาเชื่อมัน่นเหตุที่พระ อ, องค์ได้เพราะพระองค์มีศรัทธามีความเชื่อมัน่นเหตุที่ได้พระ อ, องค์มีความกล้าหาญเหตุที่ได้พระ อ, องค์มีสติ ติด ต, ต่อต่อเนื่องมีสมาที่ความตั้งมั่นมีปัญญาก็รู้แล้วเห็นต า, ามความเป็นจริงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ยมีในเราด้วยไม่ใช่ไ ม, ม, ม่มีแต่เราไม่มีอุบายวิธีให้เหตุปัจจัยให้อาหารให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในตนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เรารู้แล้วจากการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรารู้เราเข้าใจแล้วว่าเราจะปลุกเรา เราจะมนสิการอย่างไรที่เป็นอุปาท각มนสิการก็คือว่าจะมานสิการอย่างไรที่ทําให้ศรัทธาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจริญไปบูริยะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะเริญไปบูรสติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วจริญไปบูรสมาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญไปบูรปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจรเดินไปบูรอย่างไรเราจะมานสิการอย่างไรที่ให้ศรัทธาวิริยสติปัญญาเนี่ยที่ง หลีกนีคนที่ไม่มีศรัทธา 2. องคบสมาคมกับบุคคลที่มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระดับอันาน่ใจสก็คือมนาษิกการใส่ใจที่จะทําให้ศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อแลื่ต่อเ น, นื่องเรารู้วิธีการปฏิบัติรู้วิธีการที่พระบรมศาสด า, าบอกวิธีการให้อาหารของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเราจะทําให้อินทรีย์พะละที่เป็นปกติเนี่ยให้เข้าถึงความเป็นภาวนาให้ได้กรณีอย่างนี้ก็จะเจริญวุฒิคุณนึกถึงพระวุฒิยาว ซึ้งมีคุณธรรมเหล่านี้แล้วแล้วก็ น, น้อมว่าเราจะเอาปลุกเร้าคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้มีในตนเพื่อจะเดินตามรอยบาทพระศ า, าสดาเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทํามไม่แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําไม่แจ้งพอมานักสการ์คิดอย่างนี้เขาเรียกเจริญพุทธคุณก็จะไหมนีนเ่นเจริญพุทธคุณเจริญอย่างนี้ไม่ได้เจริญแบบคนหอ่อห่อเหี่ยวท้อแท้ไม่ใช่โอ้พระเจ้าเป็นพระอรหันเราแย่เลยเป็นบุรุษชนทั้งชาติคงไม่ได้เป็นแล้วพระอริยะกับเขาอย่างนี้ไม่ใช่ เขเจริญเพราะให้พุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลต้นแบบเป็นแบบอย่างให้เราระลึกถ้าเราเลือกอย่างถ้าไประลึกโดยไม่ปรอบตนเนี่ยมันไกลเลื่อนลอยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการระลึกถึงพุทธคุณถ้าเราะลึกในลักษณะอย่างนี้เรียกสตินั่นแหละที่เป็นไปในคุณเห็นไหมอรหังสัมมาสัมพุทธโธพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะตัสรู้อริยสัจสี่ได้ด้วยตนเองแล้วประกาศให้บุคคลอื่นตัสรู้ตามด้วย พระพุทธเจ้าตัสรุปทุกขสัจจะตามความเป็นจริงตัดสรุปสมุทัยสัจจะด้วยการละตัสมมุตินิโรธาสัจจะด้วยการกําหนดนะด้วยการทําให้แจ้งด้วยการประจับแจ้งตัสรุปอริยมรรต์ด้วยการประชุมสินสมาธิปัญญาอบรมเจริญทําให้เกิดขึ้นได้จริงๆประเด็นก็คือว่า พ, พา ร, ร, ระพุทธเจ้าตัดสรุปเรียสัตสีแล้วพระองค์ก็บอกวิธีการด้วยบอกทุกขสัจจะเรา ก, ก็จะต้องรอบรู้ทุกขสัจจะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้ แล้วเราก็จะละราคะโทสามโมหะที่เป็นสมุทัยสัจจ์ตั้งแต่ตทางทัพทหารจะเป็นวิคัมท่าทัพทหารจะถึงสมุเฉทปัพหารนี่เด็กขาดให้นะและเราจะกําหนดว่าเราจะดําเนินไปสู่พระนิพพานเราจะไม่เอาที่อื่นไปจุดหมายเราจะมีอนุปาทาพรนิพพานอย่างที่พระเจ้าเข้าถึงนั่นแหละเป็นจุดหมายปลายทางเพราะเราเป็นพุทธบริษัทของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วพระเจ้ากําหนดหมายจุดหมายปลายทางให้ต่ชาวพุทธก็คือพระนิพพาน ใช่ไหมเป็นจุดหมายสูงสุดเราก็จะมีพระนิพพานนี่แหละเป็นบรมธรรมนีนิพพานังปรามังวัฒนติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นบรมธรรมใช่ไหมเป็นธรรมที่สูงสุดนั่นก็เป็นจุดหมายของชาวพุทธฉะนั้นเราก็ต้องตั้งจุดหมายตรงนี้อย่าไปตั้งจุดหมายที่อื่นคุณจะดำเนินชีวิตยังไงแตค่คุณต้องมีจุดหมายตรงนี้ขั้นตอนต่อไปสุดท้ายก็คือทำข้อเดียวก็คือข้อมา มาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อดําเนินไปตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อจะให้เข้าถึงอนุปาทานบริปภนี่ก็คือเนี่ยสัมมาสัมพุทธะเห็นพระเจ้าแทงตลอดสัมมาสัมพุทธะน้อมในตนมาตนเองก็ขอเป็นพุธธทธะตามให้จนุนได้วิชาเจริญนาสัมปันโ น, นถึงพร้อมได้วิชาแปดเจริญนาสิบวิชาแปดจริญนาสิบห้าของพระเจ้าบริบูรณ์สูงสุดอยู่แล้ว สรุปก็คือศีลสมาธิปรรัญญานั่นเองศีลกับสมาธิปรราาธปเป็นจารณนะปัญญาวิปัสสนาก็เป็นวิชเป็นวิชาใช่ไหมล่ะหลักการก็คือตรงนี้แค่นั้นเองพระพุทธเจ้าบริบูรณ์แต่เราก็จะดําเนินเนี่ยจะทําศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้ามีวิ ช, ชาจารณะที่สมบูรณ์แต่เราก็จะทําวิ ช, ชาชาและจารณะก็คือระดับศีลสมาธิและปัญญาให้มีให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตและเป็นหลักในการดําเนินชีวิตตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วสุขโตพระพุทธเจ้าเสด็จไปดี คือพระเจ้าเสด็จไปตามมันมัชฌิมาปฏิปทาไม่ออกนอกทางเห็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วเราล่ะดาเนินชีวิตน่ยเรามีการออกนอกทางอยู่เรื่อยไหมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอดําเนินกระแสชีวิตไปตามศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจะไม่วบหากิเลสคือราคะโทสะโมหะจะไม่ออกไปหากามะสุ ข, ขาริการโยโยคือหมกมุ่นในการปรคุณจะไม่เข้าหาอัตตกิเลามาฐานุโยคก็คือการไปประกอบตนที่ผิดในการลําบากเปล่าหรือจะไม่เข้าหา ศาสนาทิฏฐิหรืออุเชตทิฏฐิเป็นต้นไม่ดําเนินไปหาอากุศลหรือดําเนินไปหากุศลที่เป็นเหตุให้เป็นไปในวัตจัแต่เราจะดําเนินไปตามมัชิมาปฏิวัติคืออนุปาธาปริณีนิพพานพระเจ้านั้นดําเนินไปตามมัชิมาปฏิวัติเข้าถึงอนุปาทาปริณีนิพพานไม่กลับมาเกลือกพวกกิเลสและกองทุกข์อีกแม้ชั้นใดเราก็จะดําเนินตามมัชิมาปฏิวัติ เข้าถึงนกปลาทาบริพาจะไม่กลับมาเกิดทัวกิเลสและกองทุกข์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมนุษการคิดอย่างเนี้จะมีพลังก็าบอกสติเหมือนกับการสีไม้อย่างต่อเนื่องเวลาเอาไม้สองชิ้นเนี่ยมาสีกันไอตัวสติที่เราลึกถึงคุณพระเจ้าเนี่ยแหละคือการสีอย่างต่อเนื่องศาสนาสมาธิเหมือนความร้อนที่รับจากการสีไม้กันเอาไม้สีกันปัญญาเหมือนไฟที่เกิดขึ้นจากความร้อน ก้าวคือในอินทรีย์5แก่คศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเหตุให้เกิดวิรยิยะวิริยะเป็นเหตุให้เกิดสติสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิจะได้เป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาปัญญาก็จะได้เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาดังนี้เป็นต้นมันจะได้หมุนนะมันจะได้จากศรัทธาธรรมดาพอปัญญาเข้าไปชําระแล้วจะได้เป็นศรัทธาที่แข็งแรงจากวิริยะธรรมดา จากวิริยะที่ปกติกลายเป็นภาวนาวิริยะแล้วไม่ให้การเพียนผิดให้เกิดขึ้นมีปัญญามามาม า, มาชำระจากสติที่ยังอ่อนแออยู่พอปัญญามาชําระแล้วจะได้เป็นสติที่มีกําลังแก่งกล้าจากสมาธิธรรมดาจะได้กลายเป็นภาวนาสมาธิเป็นต้นเมื่อสมาธิจะได้เป็นฐานของปัญญาปัญญาก็จะได้ละเอียดและคมมากขึ้นชัดมากขึ้นกว้างมากขึ้นลึกมากขึ้นเนี่ยนะมันจะได้ละเอียดอ่อนมากขึ้นมันก็ได้หมุนอินทรีย์ในกระแสชีวิตอย่างนี้เป็นต้น ลักษณะนี้การเจริญสติมีประโยชน์ถ้าไม่สมาธิตั้งมั่นเพื่อพัฒนาปัญญาท่านอุปมาเหมือนน้าใสใช่ไหมที่บอกจิตที่เป็นสมาธิเป็นจิตที่มีพลังเหมือนน้ําที่มีท่อแล้วก็ไหลลงจากภูเขาไม่เหมือนการเทน้ําที่กระจายและท่าไปมันจะไม่มีพลังในการพัดสิ่งที่ควรพัดเลยได้ฉันได้จิตที่เป็นสมาธิถ้ารวมเป็นหนึ่งได้เป็นจิตที่มีพลังจะกระจัดของเสีย เช่นการมฉันทะความความตําหนักยินดีพยาบาทความเครียดความโกรธทีนมิท่าความหมดหูท่อถอยอุทจักขุกุจักความพุ่งสัน้นลำคาใจแล้วก็วิจิิรฉาความลังเลสงสัรฉนันจิตที่เป็นสมาธิที่ไปประชุมเป็นสมาธิระดับอุปจาระเป็นต้นหลังเนี้ยเป็นจิตที่มีพลังจะขาจัด ก, การมาฉันทะพยาบาททีนมิท่าอุทจักขุกุจักวิจิตรฉาให้หลุดลอยไปจากกระแสชีวิต ให้หลุดรอยไปหยัดใจก็กลายเป็นใจที่จิตมีพลังด้วยและในขณะเดียวกันก็จะเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสงบแล้วก็นิ่งเหมือนน้ําอยู่ในบ่อในทะเลที่ไม่ไม่ถูกลมพัดต้องและไม่ใช่นิ่งอย่างเดียวจากการขาจัด ก, การมมฉันทาพยาบาทถีนมิธอุทอจักกุกุจักวิจิกิจฉาน้ํานั้นก็ใสก็คือไม่มีกิเลสไปกุ้มลมเป็นจิตที่ใสมองเห็นอะไรได้ชัด เห็นปลาเห็นสัตว์น้ำทั้งหลายมันไหวไปมาได้ไม่ใช่ชั้นใดสภาพจิตที่มีพลังก็เลยเป็นจิตที่ใสจิตที่นิ่งจิตที่สมสงบก็เป็นจิตที่ใสจิตที่ใสก็เป็นฐานปฏิบัติการปัญญาก็ไปเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นตรงนี้ถ้ามาระลึกอย่างนี้ก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนมหานามะในโอกาสนี้ท่านควรระลึกถึงพระตราคดเจ้าด้วยคุณว่าอิทิวิโสพระกวาแม้เพราะเหตุนั้นพพุทธเจ้าพระองค์นั้น พุทธาเป็นพระทหานเป็นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชา 8. ปดชนะสิเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยสาวกเลยลึกถึงพระตถาคตเจ้าอยู่ในสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกเหล่านั้นก็ไม่ถูกการมาราคะกุ้มรูป ไม่ถูกโทสะ ก, กุ้มลมไม่ถูกโมหะกุ้มลมจิตของอริยส า, าวกในสมัยนั้นก็เป็นจิตที่ดําเนินไปอย่างเที่ยงตรงดําเนินไปตามมัริมาปฏิเวทาเพื่อจะเปรียอยอดเข้าถึงวิปาาัสสนาญาณแล้วก็เป็นปัจจัยต่อการบรรลุอนุปปทาปฏิปทาเป็นต้นดูก่อนมหานามอริยส า, าวกผู้มีใจดําเนินไปเที่ยงตรงปาราลบพระตถาคตเจ้าอริยส า, าวกนั้นก็รู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะได้ปราโมทประกอบด้วยธรรมมีปีติ เกิดขึ้นแก่ผู้มีปราโมทกายผู้มีใจที่ประกอบไปด้วยปีตินั้นก็สงบเมื่อกายและใจสงบจิตก็เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขแล้วก็เป็นฐานให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตดูก่อนมหานามะแม้ท่านเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่และนอนอยู่ก็ควรจเจริญพุทธานุสติดังนี้แม้ยืนแม้เดินแม้นั่งแม้นอนก็ควรจเจริญ พุทธานุสติก็คือระลึกถึงคุณของพระเจ้าแม้เพราะเหตุนั้นพระพุเจ้าพราะองค์นั้นเป็นพระทหารเป็นต้นแปลว่าพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าแม้ยืนเดินนั่งและนอนก็ให้ปรารบคุณของพระพุทธเจ้าในอียาบททั่สี่ดังนี้เอาแล้วมาก็บรรยายมาก็พอสมควรต่อไปมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวตอบมีไหมเามีนอนุญาต โยมีคําถามอยู่ในมือทั้งหมดเนี่ยอสี่คาถามนะคะแต่ว่าโยของญาติเรียนนี้เจ้าค่ะนอกจากว่าจะขอเมตตาจากท่านอาจารย์ในการนําปฏิบัติเป็นเวลาสิ้านาทีด้วยดังนั้นคำถามที่จะถามนห่น่าจะถามได้คำถามเดียวเจ้าค่ะจากั้ก็ก็คงจะต้องเข้าสู่การนําปฏิบัติไม่ต้องกังวลนะคะท่านท่านที่ถามก็จะได้รับของอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ถามได้คำถามเดียวเพราะว่าเวลาไม่พอนะคะสามคำถามเนี่ยถามเรื่องพยามารทั้งสามคนเลยนาคะกราบเรียนถามพระอาจารย์มานห้ามีอะไรบ้างนะคะนี่คำถามจากคนที่หนึ่งคนที่สองถามว่าตอนที่พยามารมาขัดขวางพระพุทธเจ้าได้ใช้ปรมัฐบารมีสิเป็นที่ขึ้น อยากทราบว่าท่านใช้ยอย่างไรคําถามที่สองจากคนเดียวกันตอนที่พระพุทธเจ้าบอกกับพญามารว่าท่านจะเป็นสัตว์บริสุทธิ์หมายถึงอย่างไรเจ้าคะคำถามที่จากคนที่สามพญามาที่ขัดขวางเจ้าชายศรีธนถตอนออกจากวังกับพญามาที่ขัดขวางพระโพธิสัตว์ตอนที่จะบรรลุธรรมเป็นมารตนเดียวกันหรือไม่ และมารรู้ได้อย่างไรว่าควรจะต้องขัดขวาขงูุคคมนี้คำถามเกี่ยวกับมานคำจากคนที่สี่เหตุที่พยามาจองเว้นรุกขทัจจ้าคพืออะไรครับอาการิโกในบทธรรมคุณหมายถึงอะไรครับแต่พระรา น, นาพระอาจารย์จะถามได้แค่เรื่องมานอย่างเดียวคั้งะมาณห้านะหนึ่งกิเลสมารมานกี่กิเลสราคาตัวสาวโมหามานาที่ถวิจิติศรีได้การเทิก็บเป้าจ บาปของส่ราชการมันชั่วร้ายทั้งหลายนี่เป็นกิเลสมารซึ่งมารเหล่านี้ก็แม้ในกระแสชีวิตของท่านทั้งหลายก็กาลังไปเชิญกันอยู่แล้วก็ไม่ทราบ ว, ว่าท่านทั้งหลายแพ้มา ก, กี่ครั้งแล้วแล้วไปชนะมันบ้างหรือเปล่าไม่รู้เราจะอยู่จะไม่มารแต่นี้ครอบงาเราอยู่แล้วเคยพระเจ้าเป็นผู้พิชิตมารดั้เรามีพระบรมศาสดาที่พิชิตมารเราก็ทำ อุ่นใจและดีใจว่าเราจะต้องพิชิตมาได้ได้คิดอย่างนี้บ้างั้ยหรือว่าพระเจ้าช น, นะแต่เราคงแพ้แ น, น่คิดอย่างนี้ไหมกิ <c oughs> เลสมารเนี่ยสองขันธมารรู ป, ปรขันธเวทนาสัญญาสังขารญาณกระแสชีวิตนี่เป็นมารที่คอยขัดขวางทำให้เราไม่ได้บรรลุเป็นพี่ห่วงกังวลของหลายหลายคนเป็นที่อะไรอววรของหลายหลายคนแล้วก็คอยกั้นเยอะแยะหมด หลายๆคนตอนนี้กําลังถูกขันน้ำมานโจมตีมากมันอยากกลับบ้านนี่ยหรือว่าขอชนะมารก่อนค่อยกลับวันปวดเนี่ยใช่ไหมเกษตรมันตอนนี้มันปวดบ้างมันเมื่อยบ้างอะไรเสร็แล้วครับสรุปแล้วก็คือทั้งเวทนาขันก็เป็นมารได้สัญญาขันก็เป็นมารได้สัมผัสลขันก็เป็นมารได้วิญญาณขันก็เป็นมารได้รูปขันก็เป็นมารได้มันขวางมันกั้น ในการที่จะทำให้เราไม่สามารถดำเนินไปถูกศีลสมาธิปัญญาอีกมากมายเหลือเกินท่านหลายไปสังเกตดูว่ามันเป็นมารทงท่านจริงๆมันขัดขว า, างที่ต่อไหกันลแล้วตอนนี้กระแสชีวิตของท่านก็ล่วงการผ่านไวมามากแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าเริ่มเลอะเลือนแล้วนะที่จริงมันเป็นมารตั้งแต่เกิดต้วซ้ไปแต่ตอนนี้ก็ยิ่งแย่ใหญ่ เ, เคยเคยโดนเวทานาขานันหลอกไหมใช่ไหม เคยสัญญาขันสังกาละขันสัญญาเนี่ยมันมันเล่นงานโจมตีเยอะแยะมากนี่ขันธรรมานเวลาเจอสุขเวทนาขึ้นมาก็โหติดใจเวลาเจอทุกขเวทนามาก็เจ็บปวดทรมานเวลาเจอเวขาเวทนาขึ้นมาก็หลงไม่รู้เรื่องรู้ลาวอิอูเป็นเพลินกันมันไม่รู้เรื่องแยกแยะไม่เป็นสัญญาขันมันก็หลอกปากันจะสัญญาเนี่ยโอ้โหมันโจมตีเรามากเลยสัญญาตัวปั่นที่มันทําให้สังสารวัตร เนิ่นช้ายืดยืดเยืย้อนเนี่ยเช่นความจําในบาปกัศรัทธกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายเลยนี่มันผุดมาตลอดเวลาเลยนะพอจะทําความดีเมื่อไหร่มันจะมาขวางเราอย่างมากโดยเฉพาะเวลาใกล้าตายไอตัวปปัญจะสัญญามันจะไปดึงนิมิตไม่ดีมาเ ป, เ, ป เ, ปเป็นเป็นเป็นเป็นที่พึ่งให้กับท่าเมื่อทําได้นิมิต ท, ที่ไม่ดีจากสัญญาที่ทํากรรมไม่ดีมามาปรากฏให้เห็นนั่นแหละคือ เป็นคติก็ได้นะเป็นคตินิมิตก็ได้เป็นกรรมนิมิตก็ได้นะเป็นกรรมอารมณ์ก็ได้กรรมนิมิตอารมณ์เป็นคติเป็นที่ไปไปเกิดก็ได้สามารถทําให้เราไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาขวางการบรรลุได้หมดนี่สัญญามันเล่นงานเราขนาดนั้นนะมากมายส่วนกุศลสัญญาทั้งหลายบุญทั้งหลายที่ทําไว้มันก็ขวางอีกไอตัวสัญญาฉันเนี่ยมันหลอกทําให้เราได้นิมิตที่ดี แล้วก็ทําให้เราเพลิดเพลินอีกพอมาเกิดเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีร่ํารวยสถานันดอนสูงสุดขึ้นมาหลงเลยแต่เนี่ยโอ้โหที่นี้โดนหลอกนะครับนะครับแม้นิมิตที่ไม่ดีก็หลอกอีกไปเกิดเป็นอันในใบทุกติวินาศแล้วก็โดนขวางกันอย่างมากมายเรนะาเห็นอันใบยักษ์เราก็จะรู้นี่ขนาดนั้นฉะนั้นสัญญาขันก็หลอกสังขารขันในตัวปรุงแต่งก็หลอก ปรุงแต่งที่เป็นความเครียดความรุ่มความทุกข์น้อยเนื้อต่ําใจที่มันเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแม้ปรุงแต่งในเรื่องที่ดีมะปรุงแต่งในเรื่องที่ดีทั้งหลายเนี่ยก็ไม่สระก็ไม่ปรุงแต่งนําไปนําไปสู่การพ้นทุกข์ปรุงแต่งที่อยู่ในวัฏจนี่แหละพบชาติที่ดีสถานนันดรที่ดีแม้วิญญาณฐานอยากเห็นตรงนั้นอยากเห็นตรงนี้สิ่งที่เราเห็นทั้งหลายสิ่งที่เราได้ยินทั้งหลายมีอิทธิพลต่อการกั้นารบรรลุที่หมด สรุปแล้วทั้งรูปขันก็แย่เวทนาสัญญาสังขานยญญานิมัดยุ่มาเอ๋อเป็นขันทนนั้งมาจริงๆอภิสังขาระมานคือเจตนากรรมที่จะนําไปสู่วัฏจัเจตนากรรมที่นำไปสู่อบายทุกขติวิธิบัติโรกเจตนากรรมที่นำไปสู่มนุษย์เจตนากรรมที่นําไปสู่เทวดาเจตนากรรมที่นําไปสู่รูปภพมารูปภพเจตนากรรมเหล่านี้เขาเรียก อ, อภิสังขารลมานทําให้เราออกจากวัฏจัออกจากภพไม่ได้เพราะกรรมตัวนี้แหละ กรรมที่นําไปสู่วัตตนนี่แหละนี่ก็เรียก อ, อภิสังขารแล้วมาส่วนมัจจุมานก็คือความตายไม่ทำได้อะไรเลยก็จะตายซะแล้วมันจะหมดเนี่ยไหมโรปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณมันหยุดการสืบต่อในพบหนึ่ ง, งก็คือตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเนี่ยนี่รักเยผมขนแลบฟันหนังเนื้อเย็ยนกระดูกเกี่ยนในกระดูกตายเข้าใจต่อปอดกระแสแต่กระสรแระส ร, รูปขันแต่ละชิ้นเนี่ยถ้ามัน ทำหน้าที่วิปลิตผิดเพี้ยนเขาเรียกพยาชีถ้าหยุดทําหน้าที่ก็เรียกมรณะนี่ยมันจะหยุดทําหน้าที่มรณะก็ร่องโรค ป, ประคันพอโรู ป, ประคันหยุดทําหน้าที่ในภพนี้เวทนาสัญญาสงขารจะหยุดการแล้วก็สืบต่อภพใหม่ตายทันทีนี่มันมันมันเป็นมารอย่างนี้ต่อไปก็คือเทวปุตตมารเทวปุตตมารเนี่ยวัสดีมาน ที่เป็นปอยู่ในชั้นปาณิมิสวาสวสดีเขาเขาบำเพ็ญกุศลมาเยอะทานศีลภาวนาเขาบำเพ็นมาเยอะแต่กำลังที่การเป็นมิจฉาทิจิความที่ไม่ปรารถนาให้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยหลุดไปจากอำนาจของเขาเพราะเขาเป็นคนมีปัญญานะพญามาเนี่ ย, ย, าานนยถ้ายิ่งพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์มาขนสัตว์หรือสัตว์ออกจำศัก ส, สารวัตเนี่ยแปลว่าบริวารเขาน้อยลง คนที่ยังหลงยังเพลิดเพลินยังยินดีในสังสารวัฏเขาก็ต้องการบริวารซักพวกเป็นเรื่องปกติงั้นตรงนี้อย่าแปลกใจว่าเขาเห็นการบำเพ็ญบัรมีของพระพุทธเจ้ามาไห้เห็นทำไมเขาจะไม่รู้จักอายุเขายือนอยาวเขารู้ว่าพุทธเจ้าทาอะไรมาบำเพ็ญอะไรมากระทำอะไรม า, า, รรม า, รมาแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าเวลาที่พระโพธิสัตว์จะออกบวชเขาก็ไปขวาง บอกว่าอีกเจ็ดวันจะได้เป็นจักรพัทพระโพธิสัตวก็ต้องด้วยความมีปัญญาญาณท่านท่านพูดยังไงท่านบอกว่ามานเออยไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้ว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยจักรพัท ส, สมบัติจะเกิดขึ้นแก่เราแต่จักรพัท ส, สมบัตินั้นน่ะปวดดันประดุดดังก้อนเ็ษที่ปลายลิ้นก้อนเ็ษที่เราเราขากออกมาแล้วะที่อยู่ในปลายลิ้นเราไม่ปราณาจะคืนกลับเข้าไปแม่ให้ฉันได้ เราก็เห็นจักรพัช ส, สมบัติและก็สมบัติในวัตฏะทั้งหลายประดุดดังก้อนเขละก้อนสเลดแล้วปรารถนาที่จะคขายเห็นไหมว่าความที่ท่านมีความรู้ความเข้าใจมียานปัญญาที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้มาในสังสารวัฏอย่างยาวนานเป็นกําลังในการที่ท่านตอบโต้และท่านก็ไม่สามารถขวางท่านได้ฉะนั้นก็เป็นท่านเดียวกันไห้พวกชัยแม้มาใน วันจะตัดสรู้ก็มาขวางที่จริงขวางมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเราจะเห็นได้ตอนที่พระพุทธเจ้าตัสรู้มานไปร้องไห้ในสัปดาห์ที่หมานเอามือไปขีดแผ่นดินเราไม่ได้บำเพ็ญทาในบา ร, รมีเหมือนสิทธัตถะเราจึงไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าเราไม่ได้บำเพ็ญศีลบา ร, รมีเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถะ เราไม่ได้บําเพ็ญได้ขธรรมบารมีเราไม่ได้บําเพ็ญปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะเมตตาอุเบกขาบารมีเราจึงไม่เป็นเหมือนศิทธาเราไม่ได้เราไม่ได้บาเพ็ญบารมีเหล่านี้เราจึงไม่ได้อาสาทละนิญานถกเราจึงไม่ได้สัพพัญยุตยานเราจึงไม่ได้อนาวรฎนยานเราจึงไม่ได้อินเตียะปโรปิฏฐยานเราไม่ได้มหากรุณาสมาปัฏิยานยมกัปปติหาริยะานเราจึงไม่ได้อาศญาณุสติยะยาน เหมือนเจ้าชายสึกรัสธรรมฤศสยามร้ อ, องทห้ใช่ไหมลูกสาวจึงมาบอกพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหน้าที่พยามารบอกว่าไม่ทันแล้วแต่ลูกสาวก็ไม่เชื่อเพราะท่านแทงตลอดอริยสัจเป็นสัมมาสัมพุทธะเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยลูกสาวพยามานก็ไป จำแรงกายให้มีความงามถ้าเป็นอย่างพวกเราเห la, ็นความงามของเทวดาหัวใจเราจะเราจะช็อกหัวใจวายตายฉะนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวพญามารจะมาเล่นเราเพราะกำลังกาลังบารมีของพวกเราอ่อนแอมากแต่ว่าไม่แน่ถ้าใครที่กำลังยานบารมีถ้าก็อาจจะอยู่ในสายตาของมัน นั้นมารมาไม่ใช่มีแค่พญามารอย่างเดียวก้มเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นมารมีอีกมากมายงั้นตรงนี้แหละอันนี้เป็นเขาเรียกเทวพุตมานทำให้หลอกในการบอกคุทางในผิดพลาดของเรามีมากมายฉะนั้นพวกเราเจอมารมากมายทั้งขันธมารกิเลสมารมัจจุม า, มาอภิสังขารลมารและพระเทวคตมา น, นี่คือมารทั้งทา ซึ่งมีอิทธิพลต่อกระแสชีวิตของเราเหมดเลยมาทุกประเภทแต่การที่เราได้มีความหนึ่งต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้อย่างแท้จริงและประพื่ปฏิบัติอย่างอย่างอย่า ง, างชานฉลาดตามคำสอนของพระเจ้าอายกตัวอย่างมีอุบาสิกาท่านหนึ่งฟังธรรมจากพระเจ้าได้บรรลุเป็นพระโซนแล้วต่อมากลับมา พยา ม, มานต้องการอยากจะทดสอบสาวกของพระเจ้าทั้งกระแปลงกายเป็นพระเจ้ามาบอกว่าดูก่อนอุบาสิกาดูก่อนอเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าตถาคตบอกว่ารูปไม่เที่ยงเวรนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงขอขออภัยเรากล่วกาวผิดไะผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมาชี้นะทั้งๆ ท, ที่เป็นพระรูปพระเจ้าวันนี้ไม่ใช่พระเจ้ามานต้องอันตรธานถ้าอยากว่าเราเนี่ย ถ้าแค่พยามารมาแปลงมาด้วยเจ้าจะบอกให้ไปทําชั่วก็ทําไม่ต้องไปบอกขัดแย้งคําสอนแค่รูปไม่เที่ยงเวรนาสัญญาไม่เที่ยงฉันเห็นมากระตาไอตําราที่เรียนมาผิดแน่นอนเห็นไหมความไม่แข็งแรงในการเข้าใจในคําสอนเรายังมีอะไรอีกเยอะมากที่จะขัดขวางกันกันเต็มตลอดต้องกี๋ยเวลาอย่างเอาต่อไปปฏิบัติกันสักสิบนาทีสิบห้านาทีนาะก็ขอเชิญทุกท่าน ตั้งเจสนาให้เป็นสงฆ์และปฏิบัติเป็นเวลา5ปีนะคะก็ขอเรียนเชิญกับารัตนานาจางก็เอาแล้วนะให้เราเจริญพุทธานุสติในการที่เราได้เจริญในการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพระพระุทธเจ้าตรัสถึงอนิสง์แห่งการเจริญพุทธานุสติ อนิสงส์แหการจเจริญพุทธคุณว่ามีผลมากมีอนิสงส์มากฉะนั้นในขณะที่เรานั่งามาก็จะกล่าวเป็นเบื้องตน้นพอเป็นพื้นฐานแก่การที่เราท่านทั้งหลายจะได้เกิดความมั่นใจในการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรานั่งในท่าที่เหมาะสมนั่นแหละแล้วก็ไม่กลร็งนะ ในการที่จะตั้งสติในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังเป็นพื้นฐานไปเกาะแล้วก็ระลึกหลับตาแล้วก็เลิกว่าการเจริญพูดทางหสติในคำภี์ในท่านคําสอนท่านบอกว่า1สิ่งที่จะได้เมื่อเราระลึกถึงมีสติในการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอรหันต์เป็นพวกไรจากกิเลสเป็นต้น ให้ระลึกถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทั้งพระจริยาคุณมีทานบา ร, รมีศีลเป็นต้นจะถึงเบคาบา ร, รมีเป็นที่สุดทั้งอุป ป, รปารมีปารมาทบารมีในที่สุดจริงๆบัดนี้พระตถามขาเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เพราะพุทธเจ้าเป็นพระราห์จงยังปามโมปีติสุขโสมานะความอ่ดอิ่มใจให้เกิดขึ้นว่าเป็นบุญญาลาภของเราแล้วหนอ เราได้เกิดมาทันสมัยพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกให้ชื่นใจว่าเราได้เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าให้สมาทานในใจว่าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ทั่วเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าขอให้พระอรหันตสาวก ใ, ให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาในแกล้งของท่าน ก็ประสบความสําเร็จให้ตนเองได้เข้าไป น, นั่งใกล้ผ้าอรหันตตาเจ้าเนะี่ยพระพุทธเจ้านะั้นความบารัาฑ์นาก็สำเร็จผลขอให้พระพุทธเจ้าปโปรดเมตตากรุณาแสดงธรรมโปรดท่านแล้วท่านก็ได้แล้วขอให้ท่านได้รู้ทั่วถึงธรรมที่พระบรมศาสดาทรงแสดงและบอกการความบารัณฑนาของพระเจ้าพิมพิสารสำเร็จผลในสอย่าง ไม่ใช่ที่จริงท่าน5อย่างก็คือความเป็นกษัตริย์แต่เรานะเอาแค่สี่อย่างตอนนี้พระเจ้ามาในประเทศมาในเขียดแดนของเราแล้วตอนนี้เราได้ฟังพระเจ้าในฐานะเห่งการหรือเรื่องถึงพระธรรมวินัยของพระเจ้าแล้วตอนนี้เราได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระธรรมคําสอนของพระเจ้าเหลืออย่างเดียวเรายังไม่รู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นจงตั้งเจตนาเจตจำนงปรารถนาด้วยทานบารมีศีลบารมีด้วยทานศีลภาวนาที่บำเพ็ญมาในอดีตอย่างยาวนานและในปัจจุบันพบที่ระลึกได้และที่ระลึกไม่ได้ขออุ่านั้นทั้งหมดจงมารวมกันเป็นปัจจัยเครื่องหนุนมาประชุมในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้รู้ทั่วถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทั่วถึงด้วย ท ร, ท, รทรงเข้าถึงด้วยฉะนั้นเวลาเราลึกถึงพระเจ้าด้วยอนุสติด้วยตาเราลึกถึงคุณพระเจ้าแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความเคารพยำเกรงในพระเจ้าเคารพยำเกรงในที่นั้นก็คือเกิดความรักเกิดความเคารพเกิดความเชื่อมั่นเกิดศรัทธาที่เข็งแรงในองค์ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงกระแสขันของพระเจ้านะั้นเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสไม่มีกิเลสคือราคาโทสโมหะ คุมรวมในกระแสะชีวิตของพระพุทธเจ้าเลยไหมแต่น้องนี่คือความปริสุทธิ์ที่คุณพระพุทธเจ้านั้นมีพันปัญญายานมีทั้งภาษาพันยุติญาณเป็นต้นจนถึงอนนาวรณญาณเป็นที่สุดพญานปัญญาพระพุทธคุณทั้งหลายที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้านั้นมากมายและเกิดเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยให้กับข้าพเจ้าให้กับเราทั้งหลายให้เกิดความชื่นใจว่าเราเป็น พุทธบุตรพุทธธิดาของพระเจ้าเป็นพุทธบริษัทกับพระเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตัสรูุ้สัมมาสัมโพธิญาของพระเจ้าเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีสรณะเราปรารถนาจะตัศรุเราปรารถนาจะเดินตามรอยบาทรพระศาสดาอย่างแท้จริงขอบุญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่เราทําจกเป็นปัจจัยเกื้อหนุนนพาพากระแสชีวิตข้าวเจ้าให้ดําเนินไปตามมอธิมาปฏิบัติ เดินตามรอยบาทพระศาสดาจนถึงจุดหมายปลายทางคืออนุปาทานพลิมีคพามโดยท้ดยโดยเร็วโดยสะดวกนั้นเราระลึกถึงครูพระเจ้าเนี่ยก้อยเกิดศรัทธาคือความเชื่อมั่นก้อยเกิดความเพียรแก้วกล้าเกิดก้อยเกิดสติคือสติมีกําลังยันเป็นอุปจาระได้ถ้าคนทําได้อย่างต่อเนื่อและก้อยเกิดปัญญาคือความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะกุศลอย่างยิ่งยวด กุศลอย่างยิ่งยวดที่ยังไม่เคยเกิดก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นอนิสงส์นะประการต่อมาคืก่อให้เกิดปีติปราโมทย์ไปนานมากสังเกตได้ว่าเวลาเราเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ปีติความอิ่มใจปราโมทความอิ่มใจเล็กน้อยยจะเกิดอยู่ตลอดเวลาไหมถ้าเกิดแปลว่าการเราลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั้ น, เ, นเป็นไปอย่างได้ผลระดับกิเลสคือราคะโทสะโมหะทั้งหลายไม่กุ้มรุนใจ และอย่างหนึ่งก็คือทำให้รู้สึกว่าเหมือนได้อยู่กับพระพุทธเจ้าดันั้นในขณะที่สติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสมาธิแนบชิดติดในคุณของพระพุทธเจ้าปัญญารู้เข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นเสมอเหมือนหนึ่งว่าตอนนี้เรากำลังเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เรากำลังเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่จริงๆ ตอนนี้พระเจ้าการพืพระธรรมวินัยทำสอนการระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่กับเราเราอยู่กับพระพุทธเจ้ามจะเกิดความไม่ว้าเวไม่งดไม่งอ้อยเหงาไม่เศร้าสือนในขณะที่เราระลึกหรือสติจิตของเรามีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สติมีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตมีการแนบชิดติดกับคุณของพระพุทธเจ้าความเพียร ในการประคองสติให้ระลึกถึงคุณของพระเจ้าศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระเจ้าปัญญารู้และเข้าใจในคุณของพระเจ้าทั้งเวทนาขันก็เสวยการระลึกถึงคุณของพระเจ้าสัญญาก็จําในการคําสอนจําในคุณของพระเจ้าได้วิญญาณขันก็รู้สังขารละขันก็ปูงแต่งเวทนาสัญญาสังขาริญนามีคุณของพระผู้เจ้าเป็นอารมณ์แม้กายของบุคคลที่กําลังระลึกถึงคุณของพระเจ้าเปรียบเสมือนเป็นเจดีย์ ทององค์ใหญ่นั้นกระแสะขันกระแสะชีวิตของท่านที่กำลังลเราเลื่ถึงคุนพญาจึงเป็นกระแสะขันที่ควรบูชาอย่างยิ่งแต่ต้องไม่ให้กิเลสก้มลงนะต้องให้จิตใจเอ่อปิ่นผ่องใสจริงจริงนะัและในขณะเดียวกันจิตก็จะน้อมไปในการบรรลุน้อมไปที่จะเข้าถึงบางท่านก็จะเป็นสัมมาสัมโพธิปเจกโพธิหรือสาวกกโพธิ เนี่ยจะน้อยไปในพุท ธ, ธะเหล่านั้นเมื่อพบสิ่งใดที่ละเมิดที่ควรละเมิดก็จะเกิดฮิริอุตปาดดังได้เห็นพระเจ้าอยู่ต่อหน้านั้นจะป้องกันใจเราได้ขนาดนั้นงนั้นพึงรู้ได้เถอะว่าในขณะใจเราเนี่ยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจะเกิดความละอายต่อบาเปเพล่งตัวต่อบาปอย่างรวดเร็วเพราะเสมอเหมือนหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่กับเราและ กุศลเหล่านี้เป็นเหตุทำให้เราเกิดในสุคติภูมิฉะนั้นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็จะมีอันิสงเก้าอย่างดังที่ได้กล่าวที่แล้ใน9อย่างนี้ในขณะที่ระลึกอยู่กุศลจิตที่เกิดขึ้นจะทําให้เราเนี้ยพ้นจากอันตรายภายในราคะโทสะโมหะอีกเป็นอันตรายภายในเป็นเพศข้าทาภัยใน แต่เมื่อสติสัพชัญญะหรือสธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนั้นพึงรู้ว่าในขณะนั้นกระแสนามขันของเราพ้นจากอันตรายแล้วกุศลก็จะเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเราอย่างติดต่อและต่อเนื่องฉะนั้นเมื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่างติดต่อและต่อเนื่องอย่างปลาโม้นปีติความอิ่มใจปัสสติความสงบไม่ว่าจะเป็นกายปัสสติจิตปัสสติ เป็นสภาวะที่เป็นความสงบของจิตของเจรสิทธิ์ในการเดินพุทธคุณในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นสามารถขจัดจความเร่าร้อนความกังวนกระวายสภาพใจที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนได้เข้าถึงความสงบได้ก็จะเข้าถึงความเบาจิตจะเกิดถึงความเบานั้นะทั้งกายกายและจิตทั้งหลายตอนนั้นจะเกิดภาวะความเบาไม่หนักเลย ถถีน้มิทะความกดหูท้อถอยกุ่มรุมจิตในขณะนั้นสภาพจิตจะหนักแต่เมื่อเกิดภาวะกุศลและจิตเกิดขึ้นศรัทธาวุริยสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจะสังเกตได้ตอนนั้นกายก็เบาจิตก็เบาเกิดภาวะความเบาแล้วจะพาเกิดภาวะอีกและจิตจะเกิดความอ่อนโยนในการเดินกุศลจิตจะไม่แข็งด้วยมานะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนจะไม่แข็งด้วยคิดถี่ เพราะภาวะจิตนั้นจะเกิดความอ่อนควรอ่อนไปตามพฤตธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากายกรรมอ่อนจะอ่อนไปในสุจริลีวิจีกรรมก็อ่อนไปทางสุดมโนกรรมก็จะอ่อนไปในทางมโนสุจริลสติก็จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นแล้วประการต่อมาก็คือจะเกิดความควรความคล่องแคล่วความควรนี่แหละสติสมาธิ ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการระลึกถึงคุณองบริเจ้านี่แหละจึงเหมาะจึงควรต่อการที่จะไปเดินขึ้นสู่กรรมฐานอื่นหรือต่อวิปัสสนาญาณนี้เป็นต้นและจิตจะเกิดความคล่องแคล่วเพราะเมื่ออกุศลออกไปจากจิตแล้วจิตจะไม่อึดอาัด ร, ราคาโทสะโมหะทําให้จิตอึดอาดแต่ถ้าจิตที่เป็นกุศลมีศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจิตจะเข้าถึงความคล่องแคล่วและจิตจะเกิด ความซื่อตรงก็คือดำเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาดำเนินไปตามมัชฌิมปิปกฐานได้อย่างติดต่อและต่อเ น, นืง่งและมีจุดหมายที่นุภ า, ภาพภาภรณิพานเดี๋ยวจะหยุดเสียงและให้เราทั้งหลายได้สงบแล้วได้ระลึกโดยไม่มีเสียงกล่าวให้เราตั้งใจในการที่จะทำเพื่อเคารพถวายเป็นพุทธบูชาทมาบูชาและสารบูชาเมื่อได้โอกาสแล้วันให้สัญญา ให้เราตั้งใจเก็บบุญใช้ศรัทธาเป็นตัาจเป็นมือนะเก็บรัตนะคือบุญเก็บรัตนาคือคุณของพระเจ้าเก็บรัตนาคือศีลสมาธิปัญญาให้ประชมุมไม่เกิดขึ้นในกระแสชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากไนดะ้ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการพุกในการเจริ